ยัง ต้องเข้าใจเรื่องนั้นก็ไม่สำคัญหากจะคิดว่าต้องรักกัน ก็คงสมใจอดทนไว้จนฉัน คิดว่ามันไม่ถูกแต่ น, นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ห่างจะคิดว่าต้องเข้าใจ หากจคิดว่าต้องเข้าใจเรื่องนั้นก็ไม่สำคัญหากจะคิดว่า